เราอยากจมอยู่ในความทุกข์อยู่มีภาระนะจะต้องปลดเปลื้องจิตใจของเราออกจากความทุกข์ให้ได้ชีวิตนะั้นความจริงหลวงปู่เทสท่านเคยบอกว่าสาบใดยังมีกิเลสนนก็ยังมีชีวิตอีกมีเวลาอีกเวลาชาติหนึ่งไม่มากว่าชาติที่เจอพระพุทธศาสนานี่ยยิ่งน้อยหนักขึ้นอีก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 กิเลสท่วมอย่างเงี time, <sh> pe ้ยต้องสู้เอานะงั้นเบื้องต้นทาหาหาอะไรเรียกวิหารธรรมหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างหนึ่งนะเพื่อแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปอย่าพุทโธพุทโธจิตไหลแล้วรู้ก็ได้นะไหลไปไปคิดก็ได้ไหลไปเพ่งจิตให้นิ่งๆิงว่างๆก็ได้นะมันไหลได้สองแบบไหลไปคิดกับไหลไปเพ่ง